พระธรรมเทศนาแผ่นที่109ราลำดับที่24โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่26กรกฎาคม2560มีชื่อเรื่องว่าถึงกลาวขับขันไม่ต้องกลัวตายอา้าวลกหลานอยู่ในความสงบเมื่อวาน ศรัทธาญาติโยมลูกหลานคงได้ยินว่าเอเมื่อเนี่ยเปินอากาศเอาๆอย่างไหนบ่กคือฝนชะตกแท้ลูกหลานได้ว่าหลวงพ่อเทศวงทองเวาก่อนสิจบนะเบุกคือแมนอีลีว่าลูกหลานไน้เมื่อเนี่ยเป็นวันที่ยี่สิบหกกรกฎาคมพุทธศักราชสองพห้ารอยหกสิบเมื่อวาน ตีหลวงพ่อได้ยวาว่าฝนคืออากาศห่อนๆตอนหลงพ่อโพธ ต, ตอนเช้านะแต่ก็ะห น, นี่ก็ร่องพ่อตกตอนเย็นประมอัมนจะถมเริงมือว่าเนเลยนะแต่ไม่จริงปกตินี่วัดเท่านี่หลวงพ่อเคยสังเกตประมาณจะใบสีบ่ใบสามใบสีบ่โม่งนะถาวาร่ำเมือนจะร่ำ่ำแห้งมันจะมาประมาันเนี่ยใบสีบ่ใบหาแต่เมื่อึ้นเนี่ผิดปกติ แต่ที่แรกก็ได้งี้ยแต่เสียงฝ้าห้องหัวหัว ห, ห, หมากกะคิดว่าจะทรมดาพอมันหมืดเขามากบ่เนี่ประมาณทุมหนึ่งล่มมากเออเาะมันล่มแห้งแทนนี่ฝ่ากะทีเย็บกฝ่ากห้องพอฝาล่มก็แรงบ่นี่ก็โชคโอ้ใบใหม่กระจุยกระจายเลยบ่นานี่หลวงพ่อก็เป็นห่วงพระขึข้นกัน พระหลวงพอ่อไม่แต่พระมาจากในเมืองกบ็บอกจากรบจากฤทธิลบจย่างไหนนอกพวกพระเข้าหนีนอนลูกหลานในวะตัวไผ่ตัวมั่นละข้าวเนี่วหลวงพอ่อรบพอหลวงพ่อขึ้นกันนะวันนู้ไปอมาแล้วก็เลยล้มล้มมาอย่างนั่นวันนู้ไปโดนเติบไปได้มาขึ้นเนี่ยฝ้าเนี่ห้องฉนันวันไหวเลย ห่มผมพห่มผัห่มผับแมพบันไ่ก็บเปี๊ยบ้ั่นวันนี้นนนไปว่ได้เห็นว่ได้เห็นฝาแบบนี้มานน่านแล้วในวัดเท่านะมือเคื่องในเพชรปกติมามากๆเลยเหลองฝาเรื่องฝาเหลืองฝนฝนก็พอแห้งบ่เดกกันแหงอยู่แต่ว่าาแห้งมากๆเลยหลวงพ่อว่าขาันธมพูดไก็ตามนะันได สา บ, สาบาาดสาบานใบตกรอนน่ยระวังใหดีจังมือขื่อเหนีวไปเออเรานเหากละมังมั่งงุมหัวไวได้ยานฟ้าลงวอไปขันบได้บไดบได้าบดสาบานไหวกรบไปอย่างนอขันบดได้าบดาบานไหวระวังหมออกไปยังมือขื่อเหนียวลงไปเออลอบทิศหลอบด้านเลยบ่ขื่อนเนหน่ากลัวมากเลย คำมนไกลกำเป็นไกอยู่ในกรมเมื่อพญาญมัจจุราชพอนเอาไปคำเป็นผันวเข้าอยู่ในกลัมมือพยาญมัจจุราชแล้วทำไหมหลวงพอบอกจกัิงๆขึออ้นบผิดพะหลวงพ่อขนาดหลวงพ่อเอยงหพออง่พอกกโทมันมมนพธรรมดาในขึ้นนีว่ะแล้วพาหน่อยพานุ่มพระไม่เที่ขึ้นจังใดพอนเอาไปมืดกรมืดออีตาหักปาเนี่ยรับตากับมืน่นตากระท่อกันอีกตนไม้ก็ะึ้มอีตงหาก สูงกุพนะจดฝ่ายต่างหากจากตนไหนจะลงมาหากรุตีเท่าแ้บัตเนี่ยฟ้ากับพอ่อฝ่ายแมปแมปมาได้ก็เปียงบัตนัน่นแมปมาได้ก็เปียงบัต น, น, าา น, นั่นมาฟ้ามาขึ้นนลยนะห <laughs> ลวงพ่อเห็นหลวงพ่อก็ทๆๆๆๆๆๆๆๆ้อท้อท้อท้อ้อกันนะั่นะวะมันน่าหนต่า ง, งหากเด้่ยววนไปว่นมาว่นไปว่นม า, นน ม, ามันวนน่นอยู่ในวัดเท่านะะึ่งตุนใหมนะ่เดี๋ยวก็เป่งลอยลงไป ฝ่าพาระเนี่ยนัก็คือห่าคืาไปเอกไปโนไปเป็นชัมม่วโมงแนะเมื่อคืนเน่ยดูระประมันสองทุมกว่าพอเสร็จเรียบร้อยลงพอกันเป็นห่วงพระคือกันเน่ยก็เลยบอกเอ้ยไปหาตัวตราดูพระสิวะ่ะวะไปอยู่จังไหนปลอดภัยบอกบางโนมไม่หักพวกเราไม่หักอยู่ขางลงครั้วเนี่ยรั้วชั้ น, นํารอดเนี่ย ต้นหนึ่งหลวงพอ่อเป็นอะไรล้วตน้นใหญ่ป่ประมาณโอบเลยแหลวสันโธเออเอาเอ า, เอาเลยเอาเลยไปตัดจะมันล่มแล้วตัดออกจากท่างว่าตัดออกจากท่ า, ทางให้ไปตะเวนไปตะเวนดูภานะไปไปน้ำกันสักสามชีหาองนางหลดปิ๊กอัพไปไปทำถามลูพระเพราะว่าในวัดกองเข้าเดี๋ยวนี้ถ้ำถนน ค้อนกรีดหนาประมาณทึกสีหาเส้นนีอยสำหรับความปลอดภัยของพระเอารถปิงอับไปทะเวนบังหน้าถามถา ม, ถามไทยทุกองนะกันวมใหม่หักทับกุฏิคำบรรทับระตายเล ย, ยงบเป็นยังคำบรรทับระขาหักแขนหักมาหาหมู อ, อะไรล่ะมาหาหมู อ, อะไร มาอันนมือเศร้าก่า น, นะมูจะค่อยไปหาน่ยมันบอกแ ม, ม่แนวเดยว่าพอไหนลาดตะเวนนตลอดตะเวนดูเหห์ทั่วนะเบิบ้งไปให้ไปเบิง้งหปทุกองค์เอท่านว่ามีปัญหาแก่จะไจะได้แกไขกันท่านพวกผ่าเพิ่งก็ไปบอกว่าไปอยู่ได้เมือ่อคื น, นไปลาดตะเวนถามไทยเบิ้งกับบ่มี่อย่าง กับมามือเศร้าหลวงพ่อก็ถามไปในน่ะมมีปัญหาอย่างเรารับกันเรียบร้อยดีอยู่พระแต่ก็ตนใหม่รู้สึกว่าหลายตนที่มันโคลนทับกําแพงกันมิแต่บ่ถึงกันเสียหายเพราะมันตนใหม่เพราะตนโมยใหญ่แต่ว่าตนใหม่นมี่โคนห ล, ลายอยู่ผมมันล่มเพราะมันฝนตกก่อนหน้าเนี่ยฝนตกประมาณสักอาทิตย์กวาก่าเนี่ยลูกหลาน ฝนตกอาทิตกมาเ่ามันดินมันน่วมแล้วนอนไปมันอมดินมันอมน้ําแล้วดินมันน่วมแล้วบ้านนี้ยป่าทํามันล่มมันมาทางบ้านนี่มันกับต้นใหม่มันกับโคนอะไง่ายๆน่ะเพราะดินดินมันอ่อนนี่แหละอันนี้ก็คือพวกเขาอยู่ตามธรรมชาตินะธรรมชาติคานว่ามันทีทําลายทำไล่พวกเขากับพวกเขากับเหมือนกับ ดูในกรรมือของธรรมชาติกับมือของพระยาบัจจุลาศน่ะนะอย่างมเมื่อคืนเนี่ยเห็นได้ชัดเลยล่แหลมแต่ว่าถึงยันใดก็ตามพระเน่นลูกลานขันว่าเขาในย่มขับขันเขาในยามขับขันขานาาี่นสิละยอยางเมื่อคืนนี่ละเออเข้าปะต่องปะต่องย่านตายหรอกถึงจยย ะ, ะย่านแล้วบย่านถึงข้าวมันตายขึ้นเร้านั่นนะเออ หนาวหนาต้องเข้มแข็งนะอะไรจะเกิดมันต้องเกิดอะไรจะมีมันต้องมีด้วยบุญบา ร, รมีของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้สังสมบุญบา ร, รมีมาจะไหนทำกรรมบาปกรรมว่าจะไหเอา้าวยินทีรับกรรมที่ตนได้กระทำไว้อันอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดล่ะจากนั้นนั่งสมาธิเบิงใจเจ้าของหลบนะับบ เบิ่งเน่งอยู่ในใจเจ้าของเคำมันกูตายคณะนีกูจะไปใส่นะทำใจให้เน่งทำใจพอให้ห่วงหาอาไล่ไผ ย, ยทั้งหมดในจักรวัลพอแม่พี่น้องกู้บาอาจารย์แปลว่าทำใจใเป็นของตัวตัวของตัวเองจิตใจให้เป็นสมาธิ เขามาพึงใจทำไมใจพึ่งใจระบาดอพึ่งอย่างอื่นบอะไรแลยนะพึ่งขุติบุพึ่งอันไหนบอะไรทั้งหมดนี่แหละอันนี้แหะคือข้าวที่ชีวิตของข้าพวกข้าวจะปิดชีพนะชื่อว่าชีวิตของข้ามันจะลมตายลมหายตายจากไปจากโลกนะมันเป็นลักษณะจังซีแหละเป็นอย่างมืดขึ้นนี่แหะ มันต้องเพิงเจ้าของเนะี่นี่แหละรรมาชาติแมันสอนเข้าขึ้นกันเนะียสอนพวกเข้าไหยาลืมตัวนี่แหละเข้าอยู่ในโลกเลยถึงข้าวจังสีมันมี่จังข้าวเมาื่อคลืนเนี่ยมันข้าวที่หนากลัวทีเดียวเบิงเบิงแหละแต่ว่าถึงยังไรก็ตามลงพอบอกว่าอันนี้มันเป็นบททดสอบหน่อยนะึงมันออกไป บททดสอบน้อยเนื่องบ่หลายเลยแต่บทบททดสอบน้อยเนืงขนาดนี้เข้ากวยังเข้าก็ยังวีตุ ก, กังว้นพอสมควรอยู่แต่ว่าัานไดก็ตามธรรมันเกิดมาจังซีล่ละเข้าสี่เหตุจังใดเนี่ยคานาวะเขาคาราวะมันเข้าจําเป็นขับขันต่อไปพ้าิภาคหนมันกว่านี่เข้าสีเห็ุจังใด เฮาปะตองคิดปะตกหือตกปะตองกลางว่นนะจะเป็นนั่งเครื่องบินยุกกตามจีนั่งเหือยยุกกตามาสิจูในไฟไหมบ้านหาทางออกปอดใก็าตามบ่มีแถวบ่มีทางเพิงอื่นเบิ่งร ะ, ะลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าของระลึกถึงบุญกุศลของเจ้าของแล้วก็ให้ยิตใจของเ้าอยู่กับใจให้เน่งอยู่กับใจ ใจยกับใจปะต้องวิตกกังวลทั้งหมดให้อยู่ในบังคับให้อยู่ในสมาธิคืออยู่ในใจของเจ้าของนะั่นหลอะไรจะเกิดมันต้องเกิดนั่นแหละขณะวจิตใจของเฮาร่วมสงบนิ่งลงไประบาดเกิดยานรัตนะนี่ขั้นตายในขณะนั่นไปเกิดเป็นพม่ในลูกหลาน น, ะนี่แหละผู้ที่จะไปเป็นพมไปพมเกิดเป็นพมมาโลกนะ่ะ นี่ะจิตใจเขาสู่ใจเขาู่สู่ใจใจบวงใจใจมันเนิ่งอยู่ในใจใจบววิตกกังวลใจ อ, อ, อยู่ในความสงบนะในเมื่อมีความสงบเกิดมานะยญาณรัตนะมันก็เกิดขึ้นมาในช่วงนั้นแหละกั้นตายในช่วงนั้นปั๊บนะไปสู่พมนะ่ะคานวะตายคณะที่ใจขาดออกมารละลึกถึงบุญกุศล ระลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่รละลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รละลึกถึงอเนสงศีลอเนสงท่านพ่อตายไปแล้วไปสู่สวรรค์พวกอเนสงแบบนี้อไปอเนสงทําบุญทําท่านไปสู่สวรรค์ขันว่าจิตใจของเฮาก่อนจะตายเฮาวิตตกกังวลนเฮาคิดป๋งฝุ่งศาสักพนิสร้างพุนิวิตตกกังวลอย่างมาก เป็นวิจิตใจล้วนเล่ละบาดไงพวกหูจักจีไปใส่แล้วเหมือนกับเหมือนกับแพร่แตกนะเฮ้เมื่อแตกกลางทะเละมันจีเป็นอาหารของปลาฉลามหมกมันจีเป็นอาหารจระเข้มันจีจมนำตายให้จิตใจขาดมันเป็นไปได้ทั้งหมดละบาดไงเพราะอะไรมันหาจุดจบว่ไหรหาจุดที่จะพึ่งบ่ไหรมัน พึงตัวเองบ orei ไปไปบอกหวาเวอ่างหว่างมันมาในหันมัดความหวาดความกลัวก็อยู่ในหันมัดวน้นไปเพราะอะไรเพราะมันถึงข้าวขับขันแล้วถึงข้าวจุดจบของชีวิตแล้วเเพราะนั้นสิ่งเราเนี่ยมันต้องฝึกขิดฝึกไห่ตั้งแต่ที่แรกมันต้องอาศัยการได้งินในฟั่งจากคู่บ่ายจากบางจากท่านผู้ลู่ทั้งหลายจากตำรับตำรา แล้วก็นํามาวิเคราะห์นํามาพิจารณาการของไตรตองโดยสติโดยปัญญาของเฮ้าสรุปแล้วมาตองกลัวกลัวหรือบกกลัวมีคุณค่าเท่ากันกลัวก็ตายบกกลัวก็ตายถึงเข้ามาแล้วเพราะนั้นคําว่าบกกลัวคำน ika, ี้โบเมนติกาเจนโดติมันโบเมนเราก็ต้องลบหลีกหลีกลีนหลีกลีลลนนี้จนสุดความสามารถ มันหนีพ้นแล้วก็เอาเช็ดจังไรล่ะอะไรจะเกิดต้องเกิดต้องวาจังสันไปอะไรจะเกิดมันต้องเกิดหนีไม่พ้นทุกคนเกิดมาในโลกนี่ต้องมีจุดจบคือชีวิตแต่ว่าถึงยังไงก็ตามข้าพเจ้าจะบอจดจบแบบหาที่พึ่งบ่อใหายึดหาลักบ่อใ หากฎหาเกณฑ์หาที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจบ่ได้ข้าพเจ้าจะปวกเป็นจังสั่นข้าพเจ้าได้ศึกษาธรรมะมาแล้วด้วยอนนสงสินท่านอนนสงคุณงามความดีมาเขามาหาข้าพเจ้าเด้อข้าวนี่ข้าพเจ้าถึงข้าวแล้วจากน่งดิ่งเข้าไปหาตัวผูรูขึ้นใจเลยละบานีมองใจตัวเองเลยบาเนี้ม่ให้ปุ่งฝุ่งไปทางอื่น ให้จิตใจเน่งให้จิตใจอยู่ในความสงบเบิ่งใจใจเบิ่งใจของเจ้าของผู้รู้อยู่ในผู้รู้ของเจ้าของนั่นแหละให้เป็นเด็กสั้นละเวลาถึงข้าวมากเข้าปะต่องวิทกเขาปะต่องกลางวันบอตส่งติพอนันเตือนพอนิษเป็นพ่อเข้าเกิดมากเป็นยังไงขันกูขันกูว่าเกิดมากกูว่าเป็นอย่างสี่ดอกกูว่าตายดอก กูพอได้รับทุกหนึ่งสี่ล้วคันกูบวเกิดพอกูเกิดมันยึงเป็นหนึ่งสี่นะนีะ่ไตีเจ้าของลงไปอย่าเป็นติผู้อื่ น, นการตีผู้อื่นมันหลายแนวการตีเจ้าของนะ่ยเป็นเพราะกูมีกิเลสกิเลสราคะกิเลสโทษสะกิเลสโมหาโลกโกรดหลงกูจะได้มาเกิดมันเกิดมามันก็เป็นหนึงสี่แหละคันกูเกิดมาพบนายชาตินะอาจจะกว่านี้ก็ได้หรืออาจจะพอถึงขนาดนี้ก็ได้ เพราะนั้นกูจะเกิดดีดที่สดุดอย่างในโบเกิดก็ศึกษาตามแนวแถวลักถ้ำค่ำสอนของพระพุทธเจ้าบนแนะนำสั่งสอนให้มีศีลสมาธิปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงให้พิจารณาให้เกิดความเบื่อในคลายบยดิ้มมันถือมันนั่นแหละปล่อยว่าง เมื่อปล่อยว่างถึงจุดจบถึงภระใิพ่านใดขันธมบมีผวใดบ่มบวพาวนอานถึงบมไดในในิพัทธนะอั น, นี้สงสิ์อั น, นี้สงท่านก็นเป็นเครื่องส่งซื้อแต่อันสงภาวนาเนี่เป็นเครื่อ ง, ส ง, ส ต, อนน ง, งตัดกิเลสราคาโทษสามโมหะออกจากกิตใจใดนี่แหละปัญญาวัยภาวนานถึงข้าวครับขานมาเนเข้าจะรู้ได้เลย ขันธมาก้นที่มีภาวนาจิตใจเข้มแข็งภาวนาปุ๊บออกไปเลยมันจะเน่งเข้ามาหาตัวเจ้าของเลยเบิงเจ้าของเลยเพราะเบิงเจ้าของอะไรจะเกิดมันต้องเกิดยอมรับได้ทุกสถานการณ์ยอมรับได้ทุกทุกอย่างด้วยบาปปูนของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าได้ทำมาอย่างไงกันรับรับด้วยจะทุกได้ รับในทุกสถานการณ์อแต่ข้าพเจ้าจะทําดีที่สุดอข้าพเจ้าจะคิดดีทดําดีพูก ด, ดีที่สุดอเมื่อเราเมื่อเราทําดีแล้วออะไรจะเกิดมันต้องเกิดมันต้องเป็นงานนั้นะลูกหลานนะนี่แหละคือผู้ปฏิบัติธรรมนะอย่างเมือ่อคืนเนี่ยอย่างที่หลวงพอ่อเรียกว่าไอ้ฟังนะแต่อยู่ในสถานการณ์เมือ่อคืนเนี่ยพวกเฮาก็จะบิดตกกังวลพอสมควรอยู่ เพราะมันน่ากลัวมากเมื่อคืนทั้งฝ่าทั้งล่มเอาละพ่อ น, นั่นเองนะ